แผ่นที่81ลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำร้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่28สิงหาคม2558มีชื่อเรื่องว่าไม่ได้ปวดมาหาปัจจัยสี่ เมื่อวานพวกเราได้ไปกราบคาวะหลวงปู่ลีธรรมผาแดงท่านก็เมตตารอรับรับพวกเราเมื่อวานก็มีหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมน้องไผ่สกลนครกับคณะของท่านมารถตู้หลายคันเหมือนกันแล้วก็หลวงพอบุญมีท่านก็อยู่ใกล้ผาแดง แล้วก็มีท่านอูมีหลายองค์สมภานเมื่อวานนี่ที่ไปเจอกันท่านรัตนะกมาขึ้นไปกราบ <c oughs> หลวงปู่ลีขราวะท่านตามประเพณีใ น, ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาคือช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะจะมีพระไปครวะกรูบาจารย์ปีหนึ่งเราจะถือครั้งหนึ่ง คราวหนึ่งในช่วงหนึ่งไม่ใช่ไปแบบพั่ำเพื่อปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งในช่วงเทศกาลเพราะนั้นจะเห็นพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ไปกราบคารวะพระที่มีอายุพรรษาอย่างวัดของหลวงพ่อก็เหมือนกันนะวัดหลวงพ่อเนี่ ย, เ, ยเมื่อไม่อาทิตย์ที่แล้วก็บ้านนบ้านผืออำเภอบ้านผื อ, ผอท่าบ่อสีเชียงใหม่ มาเป็นพันสองพันคนพระสงฆ์เต็มสลาข้างนอกคนเยอะวันนั้น่ะแล้วก็พวกเราก็ไปคราวที่แล้วก็ไปกราบหลวงปู่ทุยดงศีชมพูแต่มาเมื่อวานพวกเราก็ไปกราบหลวงปู่ลีหลวงปูงป่เพ่งทำกองเพนจากนั้นก็ขึ้นไปกราบคารวะเจดีหลวงปู่ขาวอนารโยพระมหาเทระผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลเมื่อวานและก็เมื่อวานเมื่อวานวันที่27นะวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2558นหะพวกเราไปกราบคารวะหลวงปู่หลีแล้วหลวงปู่พิแพงแล้วก็หลวงปูงงป่ขาว แล้วก็พร้อมกันพวกเราคณะจตหายาจงก็ได้รวบรวมเจตุปัจจัยแต่นั้นหลวงพ่อไม่ทราบนะหลวงพ่อไม่ทราบว่าพวกเราถวายเจตุปัจจัยรวบรวมกันได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่สำหรับปัจจัยในภายในวัดของเราเราได้รวบรวมกันเป็นปัจจัยของวัดนะมีมีคนมาถวายต่างกล้มต่างวาระหลวงพ่อก็ได้รวบรวมเจตุปัจจัยเอาไว้ จากนั้นก็ได้รวบรวมไปร่วมสร้างเจดีย์ของหลวงปู่ลีนะเมื่อวานนี้นะไปถวายองค์หลวงปู่ลีเมื่อวานห้0 0 0นบาทนะออกจากหลวงพ่อนะแต่คณะศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อไม่ทราบว่าพวกเราได้ถวายคนละหมากน้อยอยังไงแค่ไหนแต่สําหรับวัดของเราเอาไปถวายเมื่อวานเนี่ยเป็นจตุปัจจัย 50,000 นบาทแล้วก็พร้อมกัน ครั้งก่อนๆไปถวายไปสี่ครั้งแล้วนะเมื่อวานเป็นครั้งที่หครั้งละครั้งละหแสนหแสนเป็นอันว่าวัดของเราเนี่ยได้ร่วมสมทบเจดี JD, ภูผาแดงเนี่ยสองล้านหแสนแล้วนะต่อไปกะท้าว่าเจดีคงจะสร้างไปอีกพวกเราก็คงจะรวบรวมเข้าไปช่วยกันช่วยท่านถวายท่านเป็นระยะเหมือนกัน เราไม่ได้มองข้ามการสร้างบุญสร้างกุศลถ้าคนอื่นเขามีแล้วหลวงปู่ท่านมีแล้วละ่ะครบแล้วละ่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของท่านเพราะเรื่องเจตุปัจจัยมันจะต้องใช้หลายหลายหลายหายอย่างเพราะนั้นอย่างที่บอกเดีย์ของหลวงปู่ลีเนี่ยห้าร้อยล้านห้าร้อยล้านนนี่แหละ ก็เป็นอันว่าปัจจัยภายในวัดของเราเนีน่ยนาคําน้อยของเราเนี่ยมีส่วนร่วมในห้าร้อยล้านนั่นอ่ะก็แปลว่าสองล้านสองล้านห้าแสนนะสองล้านห้าแสนอ่ะที่แต่ว่าคนคนห้าร้อยล้านคนห้าร้อยล้านคนอ่ะคนห้าห้าร้อยคนอ่ะคนห้าร้อยคนอ่ ะ, 500, อะเราก็เป็นหนึ่ง เป็นสองคนยอยู่ในนั้นและก็พร้อมกันพวกเราก็ยังคิดอีกว่าจะูปุปใ จ, จที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาอันนั้นหลวงพ่อยังยืดพื้นไมาอยู่นะอันนั้นอันนั้นห้าสิบล้านบาทแต่ถวายทุนกระมมเมื่อพระองค์เสด็จมาที่นี่ก็ให้คณะกรรมการวัดของเราอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นถวายพระองค์ท่านสองล้าน เดี๋ยวนี้ยังเหลืออยู่48ล้า น, นที่เราจะต้องหาร่วมสมทบเจดียด์ขององค์หลวงตา น, น, นี่ครับแจ้งบอกกล่าวให้ทราบให้ทราบไว้นะแต่ไม่ต้องหนักใจเพียงแต่ทราบไว้นะ <c oughs> และคก็เมื่อวานเมื่อเราถวายหลวงปู่รีเสร็จแล้วเราก็ไปกราบคารวะหลวงปู่เพ่งทำกองเพน เราก็ถวายเจตุปัจจัยเพื่อให้ท่านใช้ตามอัธยาศัยอีกปัจจัยวัดเหมือนกันนะไม่ใช่ปัจจัยหลวงพอ่อปัจจัยวัดสองหมื่นแล้วของเมื่อวานครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้ไปฉันที่โรงเรียนดวงทองเพชรสยามคมครูบาอาจารย์พออ่อยจ ะ, จะทํารั้วโรงเรียนหลวงพ่อคนรับปากไว้อีก4ี่หมื่นแล้วเมื่อวานก็นเลยถวาย หลวงพ่อเลยกระเป๋าฉีกไปพอสมควรเมื่อวานไปหลวงปู่ลีห้าแสนโรงเรียนจุงทองสี่หมื่นแล้วก็ถวายหลวงปู่เพลงอีกสองหมื่นแล้วก็เออแต่ว่าก่อนหน้านี้เราไปฉันที่โรงเรียนดุงทองเราก็มอบให้นะแต่หลวงพ่อหลวงพ่อจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่โดยมากหลวงพ่อพอให้ไปแล้วก็ โดยมากหลวงพ่อจะไม่จําอะจะไม่จําอะครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวธรว่าการให้คนให้ไปแล้วให้แล้วไปอย่าไปจําถ้าจํามันทุกมันทุกยังไงเราให้ไปแล้วทําไมไม่โทษแทนบุญคุณของเราไม่รู้จักบุญคุณของเรามันทุกในใจอพอให้แล้วแล้วไปไม่ต้องไม่ต้องจําอแต่จําอแต่จําแค่คนเขาให้เราถ้าเขา ถ้าใครเขาให้เราให้เราจำไว้เราจะได้ทดแทนเขาเมื่อมีโอกาสในเมื่อมีโอกาสเราจึงทดแทนบุญคุณของเขาที่เขาให้เราในยามขับขันในในเมื่อเรายามเราทุกยากลาบากที่เขาให้เรามาเออมันต้องมีคนคนหนึ่งต้องมีอย่างลุงพ่อมาอยู่วัดป่านาคำน้อย เ, ยเออมาอยู่ใหม่ๆจะมีอะไร เนี่ยหลวงพ่ อ, อยังระลึกถึงบุญคุณของโยมที่ให้จะตุกปัจจัยมาสร้างวัด ร, รมถังน้ําถังน้ําฝนนี่แห่ะหลวงพ่ อ, อยังระลึกถึงบุญคุณของญาติโยมนี่แหละให้เขา้าเมื่อมีโอกาสเราก็ต้องทดแทนบุญคุณแต่เมื่อเราให้เขาคนอื่นไปเราไม่ต้องจําอให้ลืมถ้าลืมทําให้ลืมมันทุกข์ใจ แต่ที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังที่ว่าเราสร้างเจดีย์หลวงปู่หลีสองล้านหแสนเน่ยนหะลวงพ่อก็ไม่ได้ทุกใจนะเพียงแต่เล่าให้ฟังว่าเออจตุปัจจัยของวัดเราได้ร่วมกันสร้างพระเจดียนะ์เนาะแต่จตุปัจจัยเหล่านี้ได้มาอย่างไรแอนะบมองถึงบางคนก็สงสัยเอยงเหมือนกันนะเพราะคนทั้งหลายมันขี้สงสัยแต่เงินเข้ามาในกระเป๋าตัวเองไม่สงสัยหรอกแต่ชอบชอบสงสัยเงินเข้าไปกระเป๋าคนอื่น นี่แหะชอบรู้ชอบเห็นชอบคุยชอบเขียนมนุษย์มานานะเป็นอย่างนี้แหละไอ้อันนี้เป็นสัญญาดาณของมนุษย์มันตั้ง แ, แต่ดึกดําบรรพ์ให้พวกเราก็รู้เอาไว้นะแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อได้มาอย่างไรแต่เมื่อบ้านผือยกตัวอย่างให้ฟังนะต่อําเภอบ้านผือกับคณะอําเภอท่าบ่อสีเชียงใหม่มาคารวะหลวงพ่อวันนั้นนะพอเสร็จแล้วเขาก็ประกาศ ขอถวายเจตุปัจจัยหลวงพ่ออินถวายเป็นจํานวนเงินห้าหมื่นกว่าบาทกนะ็ <g ül> ได้มาอย่างนั้นแหละอันนี้ก็คือเวลาได้มาเขาจุดเทียนมานะจุดเทียนถวายหลวงพ่อก็ได้เออได้เงินห้า0 0ื่นแต่บางท่านบางคนเขามาเนะี่ยหลวงพ่อหลวงพ่อผมจะมีความจําเป็นได้ทํำอนั้นอันนี้หลวงพ่อเออเอาเท่าไรเท่านั้นเท่านี้อันนี้เปรียบว่า มันดับไฟไปวะงั้นเออมันดับไฟไปหลวงพ่อก็ให้ไปสร้างศาลาบางสร้างพระพุธทธรูปบังแทนพระบังเนี่ยเนี่ยอย่างที่หลุบเราเดี๋ยวนี้เนี่ยมันยังไม่เสร็จนี่จ่ายไปเมื่อกี้นี่กันแสนกว่าบาทยังอีกนะยังอีก 3, สามแสนเห็นไะเออได้ศาลาท่านเจ้ยอีกแต่บาทเนี่ยล้านกว่าบาทนะสมประสง์อีกล้านกว่าบาทท่านรัตนะอีกล้านกว่าบาททากาแพงง นี่แหละอันนี้คือส่วนหนึ่งอันนี้คือเราพูดไปที่ส่วนอื่นกว่านั้นยังมีอีกนะที่เราให้ไปพราะนั้นจะตุ ป, ปจัจที่ได้มาของพวกเราก็อย่างนี่แหละใครให้มาไหลผ่านไปแต่ถึงยังไงหลวงพ่อเองไม่เคยหนักใจได้มาโดยเป็นธรรมได้มาโดยเป็นธรรมใช้โดยเป็นธรรมแล้วก็ไม่ให้ใครใครอื่นเดือดร้อน ใครเดือดร้อนในการใช้จตุปัจจัยของหลวงพ่อมีไหมมีด้วยอันใดหลวงพ่อบวชมาไม่ได้บวชมาเพื่อเงินบวชมาเพื่อหามรรคผลสิ่งไหนที่มันเกิดมาหลวงพ่อก็จับใจใช้ชอยตามที่มันเกิดมันมีถ้ามันไม่มีหลวงพ่อก็ไม่เคยขอร้องขายเคยมีไหมทําวัตถุมงคลขายมีไหมมีมีซองผ้าปา่าเรียลัยมีไหม แน่ในวัดของหลวงพ่อนะีหลวงพ่อพยายามนะดูลหลานทั้งหลายนะหลวงพ่อจะอยู่ด้วยจะอยู่อย่างพระนะใช้อย่างพระอยู่อย่างพระได้มาโดยบุญบารมีพระพุทธศาสนาบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้มาโดยเป็นธรรมแล้วก็ใช้ไปโดยเป็นธรรมถ้าไม่ได้มาแล้วก็แล้วไปแล้วก็อยู่อย่างพระต่อไปอยู่อย่างพระปียังไง มียังไงกินอย่างนั้นมียังไงใช้อย่างนั้นนี่แหละอยู่อย่างพระไม่เดือดไปร้อนเราเกิดมามีอะไรบ้างเราบวดเข้ามาครูบาอาจารย์สอนอะไรบ้างเรามาอยู่อย่างนี้มีอะไรบ้างพอที่จะเลี้ยงลูกน้องบริวารได้ก็ือเาเลี้ยงไปถ้าหากว่าเลี้ยงไม่ไหวเลี้ยงไม่ไหวกับจะไปยากอะไร เราเกิดมาเราก็ยังเกิดมาได้เราไปยังไงเราก็ไปได้พอเห็นหลวงพ่ออินเปิดแหนบนี้จากวัดให้รู้เลยห ล, ลวงพ่ออินสู้ไม่ไหวให้สาให้พวกสุเจ้ารู้เอาไว้เราจะไปยากอะไรแต่เมื่อเราอยู่เราอยู่จะตุปใจที่ได้มาโดยเป็นธรรมอย่างที่หลวงพ่อคูนหลวงพ่อจังจำ จำไม่ลืมหลวงพ่อคูณวัดบ้านไรนะเขาบอกเขาก็เข้าไปซักไซไลเดียเพราะท่านมีอิติเลขาลาบมากใช่ไหมตั้งขายเหรียญทั้งเหรียญทั้งอะไรถาไวายบางทิีให้มหาวิทยาอะไรบางทุนกล้าวถาวายในหลวงบ้างลักษณะอย่างนั้น เ, เขาก็หลวงปู่พ่อคูณรวย เ, เขาก็ไปถามหลวงพ่อเงินของหลวงพ่อนี่ทราบว่าชั่ รั่วรั่วซึมแตกไหลเอออกไปมากอยู่นะเอใช่เนไหมหลวงปู่คูนกวาอือไอ้กูได้มาเนี่ยก็กูก็ได้เขาก็มาถวายกูเอกูก็ได้มาโดยเป็นธรรมเขาก็ไม่มีขอแม้อะไรามาถวายกูพอกูได้มาแล้วกกูก็จะต้อง แ, กแจกแบ่งบ้างเหมือนกันน่ะ หมูหมากาไก่อยู่ข้างๆกูนะกูก็ต้องหวานให้มันกินบ้างถ้าว่ากูไม่กูไม่ให้มันตกมันหล่นจะเลยกูประกาดเมตตานะ เ, เพราะนั้นกูก็จะต้องหวานให้มันกินบัางนิดๆน่อย ๆ, ๆจะทำมาดา่อถ้าจะมาให้มันตกมันเลี่ยมันลาดจะเลยเสูขก็คิดดูสิวาสูจะทําไรไหมแต่เป็นอย่างสูงนะแถวคนผมมีเมตตานะ่ยใช่แต่คุณไม่มีเมตต า, อ ย, า อ, อย่างกูนะมี มีลูกน้องบริวารอย่างกูเนี่ยกูก็ต้องอแจกแบ่งไปบ้างเป็นธรรมดาพระมัน เ, เขาก็มีปาก็มีทอง เ, อเนี่ละหลวงพ่อนำมาพิจารณาดูถึงหลวงปู่ปปคูณท่านจะพูดนะนะเพียงแค่นั้นแต่หลวงพ่ อ, อใช่หลวงพ่อคูณพูดเป็นธรรมการอยู่ในชุมชนสังคมใดก็าตามเราจะมี มัดตําแหน่ขี้ตะนีทีเหนียวไม่รู้จักแบ่งปันใครจะเลยเออนั้นไม่ถูกต้องเป็นอย่างมากไปนสถานที่ใดใครก็กลัวทั้งหมดเพราะอะไรพราะกลัวขนขี้เหนียวเออกลัวกลัวขนขี้ตะนีเออเวลายามขับขันมาก็หาออจะแบ่งออกมาเป็นออช่วยหมูช่วยเพื่อนก็ไม่ได้เออแต่หลวงพ่อไม่เป็นอย่างนั้นนะเออถ้าหากว่ามีความจําเป็นมาหลวงพ่อเทบท ห, หมดหน้าตักเลยนะเอาเอาเลย มีความจำเป็นมันมีเท่าไหร่บอกมาอย่างงานของหลวงตาเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้คุยนะท่าไม่คุยให้ฟังลูกหลานก็คงไม่ทราบหลวงตาก็บอกว่าเงินทุกบาททุกสตังค์ที่มาในมาในงานศพของเราให้เอาเงินทองเอาเงินทั้งหมดที่มาในงานศพของเราซื้อทองคำเข้าคลังหลวงทั้งหมดห้ามนําเงินออกมาใช้ในงานศพของเรา งานศพของเราเฟื่อนเท่านั้นเผาอย่านาเงินมาใช้เงินที่คนพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมนำมาถักบริจาคนั่นในงานศพของเราให้นำไปซื้อทองคำเข้าคลังหลวงทั้งหมดแล้วจะทำยังไงอ่านประกาศออทูลกระหม่อมกนนั่งเป็นประธานในวันอ่านประกาศพินายกรรของหลวงตาพระสงฆ์เป็นร้อยพัน มาในงานนั้นหลวงพ่อเองเป็นคนอ่านอีกต่างหากชัดเจนก็มีเอกสารอยู่ด้วยแล้วทํำยังไงหลวงพ่อก็บอกอืพอตกตอนเย็นเอาเราจะทํำยังไงพี่น้องเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้งานใหญ่ขนาดนี้ถ้าไม่ใช้เงินเราจะทำยังไงอดูสีตกลงกันซีไม่มีใครเสนอออกไหนเงียบอา้าวผมเสนอ ในพี่น้องทั้งหลายพวกเราต้องลงขันกันลงขันกันเพื่อช่วยเพื่อใช้ในงานขององค์หลวงตาอ้าวหลวงพ่อเนี่ยถ้าหลวงพ่อจะไม่ผิดหลวงพ่อลงหกแสนอ้าวหกแสนนี่แหละจากนั้นก็ห้าแสนมีสองแสนมีสามแสนไหมในคืนนะในเงินตั้งห้าหกล้านถ้าหลวงพ่อจะไม่ผิดนะนี่แหละอันนี้คือความจําเป็นแต่หลวงพ่อก็ยังคิดอีกกว่าเอาเถอะทำมันมีมาอีกทํามัน มีความจําเป็นไหมอีกเนี่ยหลวงพ่อจะต้องทุ่มลงไปอีกเอีเออใครๆมันมีเท่าไหร่อสําหรับงานของหลวงตาเนี่ยอมันแปลว่าเอาให้เกลี้ยงเลยละเพราะงั้นเอาสู้อย่างสุดๆเนี่ยมันมีมันเออมันมันมีได้มันหมดได้มันหมดได้มันต้องมาได้หลวงพ่อคิดอย่างนั้นนะเออหลวงพ่อสู่เจ้าเนี่ยต้องคิดจะไม่ใช่ใจน้อยนะบางบางเสียงบางอย่างนะ ต้องใจใหญ่แต่ถึงยังไงก็ตามต้องดูเหตุปัจจัยการละเทษะการสถานที่บุคคลเช่นเดียวกันนั่นแหละ่ไม่ใช่ว่าจะทำแบบใช้แบบฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟยไม่ได้อันนั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปตามหลักทำคําสอนของครูบ า, านะอาจารย์ใช้จนลืมตัวนั้นไม่ได้แต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ที่หลวงพ่อได้ดูต้องมีเหตุผลแต่หลวงพ่อก็ยังคิดเหมือนกัน ใช่เลใช่เหตุผลหลวงพ่ออินเน่ยไม่ใช่เหตุเหตุผลของคนอื่นฮะแต่หลวงพ่อก็อยากจะฟังฟังเหมือนกันนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเออเราใช้ไปอย่างนี้อย่างนี้หลวงพ่อใช้เพียงนี้มีเหตุผลไมแต่ถ้าไม่มีเหตุผลหลวงพ่อก็อยากจะฟังเหตุผลของพระลูกพระหลานไอ้ศรัทธาญาติโยมที่เกี่ยวข้องเหมือนกันนะเพราะเราอยู่ด้วยกันหลวงพ่อเปิดโอกาส ป, าประชาธิปไตยถ้ามีอะไรก็เอาบอกมา ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัตุปัจจัยที่เราได้ใช้มาโดยเป็นธรรมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะอันนี้ก็คือการบริหารไอการจัดการภายในวัดของเราแต่ส่วนทางด้านจิตใจนะั้นเราบวชมาเพื่ออะไรในในใจของหลวงพอ่อหลวงพ่อบวชมาเพื่ออะไรเพื่อปัจจัยสี่มช่ยหมาย่ใช่เพื่อหวังมรรคผลนิพพานใ ช, ใช่ัหมใช่ เพื่อเราจะอยากจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอย่างนั้นใช่ไหมใชให่หลวงพ่อพูดอย่างนั้นได้เพราะนั้นหลวงพ่อจึงไม่ได้ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเนื้อเป็นหนังเอาเป็นเอาตายกับสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่แต่ถึงยังไงเราจะมองข้ามสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้เราก็ต้องดูมันไปด้วยกันพะเราบริหารจัดการ ในการเป็นอยู่ด้วยการมากขนาดนี้มันก็นจะต้องมีจตุ ป, ปัจจัยเหล่านั้นเป็นเครื่องสนับสนุนแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวโอ้ยไม่แล้วไปบินธบามาฉาันพอฉันแล้วก็หยุดหยุดจะไปเอาอะไรขนาดอยู่กับหลวงปู่ล่าอยู่ภูเจ้าก้อสมัยนะั้อปัจจัยทลายมีสิบกว่าบาทแต่ละวันหลวงพ่อก็มาพูดแล้วพูดอีกเออออกมาจตุ ป, ปัจจัยใช้สมัยนะั้น ไม่ใช่มีอะไรแต่เราก็ไม่ได้ทุกได้ร้อนกับปัจจัยเราบวชมาเพื่อหาภาวนาแสวงหาทางพ้นทุกข์จะทำยังไงจึงจะพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าเห็นไหมท่านรวยขนาดไหนพระราชวังของพระองค์ขนาดไหนก็ไม่ได้มีในประวัติว่า เ, เมื่อเราออกไปบวชขาวนั่นแหละเราเอาแหวนเพชรไปด้วยเอา เพชรนินจินดาไปด้วยเผื่อเราไปเราก็จะได้ว่าจ้างเขามาถากถางบริเวณให้เราพักทำกระต๊อกกระแทบให้เราอยู่เราก็ได้เอาเงินไปด้วยเท่านั้นเท่านี้ก็ไม่มีในประวัติมีแต่ว่าพอไปถึงแล้วกันนะคลี่ผ้ากาสาวะพัดกตัดมวยผมด้วยพระพระดาบพระแสงขันจากนั้นก็ทรงพรนวด อยู่ตามลำพังอพออยู่ตามลำพังพระองค์นั้นนะโอ้สุขจริงจรอิบเป็นอิสระในการเป็นอยอู่เหมือนกับนกที่ผลออกมาจากกรงขัง เ, เหมือนกับคนที่หายจากโรคเหมือนกับที่เราเป็นหนี้ศินมาก่อนมากมายปลดหนี้สินออกหมดแล้วเราเป็นไทยเราเป็นอิสระจริงจริงโอ้เรามีความสุขนะ สวยความสุขในการอิสระตัวนี้คือเจ็ดวันนะนั่งทบทวนนั่งทบทวนแค่ว่างงตัวเองออกมาได้ยังไงมาเป็นยังไงมาอยู่จุดนีนะ้เราจะทำยังไงเจ็ดนะวันจากนั้นพอวันที่แปก็คงจะหิวเลยนะไปบินทบาทเอาบาทออกไปบินทบาทในหมู่บ้านพอไปบินทบาทก็ชาวบ้านเขาเห็นก็โอ้สมณะนักบวช นักพศนักบวชมาขอทานมาขอกินกับพวกเราอนะชาวบ้านเขามีศ ร, รัทธาอยู่แล้วนะเขาเห็นนักพศนักบวชไปเขาก็นะ่ะบางคนก็ได้แกงบอนบ้างบางคนแกงขี้เหล็กบ้างตามภาษาบ้านเราใช่ไหมแกงหน่อไม้บ้างเ อ, ออะไรที่เรากินอยู่ในบ้านของเรานะเาาน่ะเออไปไปไปใส่บัตรท่านธมณะเ อ, อนักพศนะเ อ, อต่างคนก็ต่างตักมา ใส่ใส่ถ้วยมาแล้วกันใส่ข้าวมาก็เทลงในบาตรใส่บาตรสิทธะนะพอเทลงมาสิทธะ <c oughs> น่าจะพอฉันได้แล้วขนาดนี้เลยท่านก็กลับไปที่พักของท่านพอไปถึงที่พักของท่านท่านก็มองดูบาตรของท่านสมัยก่อนท่านอาหารท่านไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะสำหรับกับข้าวของท่านอันนั้นถ้วยหนึ่งอันนั้นถ้วยหนึ่ง อันนั้นช้อนเงินอันนั้นช้อนทองกินคำหนึ่งเข้าไปแล้วเอาอรำมันอร่อยเอามาอีกนะอันนี้อร่อยทําให้อร่อยไปไปไปท่านเลือกฉันได้ใช่ไหมในสําหรับกับข้าวของท่านมีสนมกํานันดนตรีร้องเพลงอะไรฟังสนุกสนานอีกต่างหากนะแต่บัดนี้อยู่ในบาทของท่านใบเดียวยมีทั้งแกงขิเล็กมีทั้งแกงบอลมีทั้งแกงหน่อไม้ แต่มีอะไรทุกอย่างอย่างนั้นที่ชาวบ้านเขากินยังไงเขาก็ตักบาดใส่อย่างงั้นน่ะท่านก็มามองดูบาดโอ้ตายเราจะกินได้เล้อเนี่ยวันแรกเอา้าชาวบ้านเขาหัวกินอย่างนี้เนี่ยเราไม่กินได้ยังไงะเราต้องกินอย่างที่เขาชาวบ้านเขากินเขากินแล้วเขายังใส่บาดให้เราเขาไม่กินเขาไม่ใส่บาดเราท่านก็คงจะหลับหูหลับตากินละกินอาหารอันนั้นน่ะทานอาหารอันนั้นอ่ะ สวยอาหารในบาทนั้นพอฉันเข้าไปเสร็จแล้วก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรใช่ไอมพอฉันเข้าไปแล้วก็อิ่มพอประมาณแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรเอ๊กินของดิบข้องดีมันก็เท่านั้นกินของอย่างนี้มันก็เท่านั้นมันก็เพียงแต่บำรุงร่างกายให้เป็นอยู่ได้เท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรเลิศเลยมีแต่ความเราเท่เองให้ความสำคัญในการกินในการอยู่เอ๊ะทาไมนะนี่แหละ วันวันแรกพระองค์ชนะพระองค์แล้วเนะี่ยวันที่สองพระองค์ก็ชนะอีกไม่มีปัญหาเด็นี่ยอยู่ยังไงก็ได้แต่จุดมุ่งหมายมุ่งมั่นนั้นคืออะไรคือโพธิญาณจตบมเพนยังไงจึงจะได้ตัดรู้ไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัตะสงสารถึงแดนพระนิพพานโดยเร็วนั่นแนหะจุดหมายของท่านท่านไม่ได้มุ่งหวังด้วยปัจจัยสี่เพียงอาหารเพียงแค่นั้นนะพระเนรศรัทธา ญ, ญาดโยมลูกหลานทุกคนนะ ถ้าหลวงพ่อพูดไปยาวๆนานๆเดี๋ยวครูบ้าหิวอาหารเอาทันนีพอวะทีนะ